เรื่องอบรมพระนุ่มตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในมัตชิมานิกายมาชุมมาปัญนาภมหาลาหุโลวัาทาสูตรเล่มที่สิบามข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบสสิบหกถ้าผมจะไม่ผิดหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเมื่อพระพุทธเจ้าออกไปบิน บ, บาศรลยพระอำลาหุนึ่งเป็นลูกของพุทธเจ้า ได้เดินไปด้วยพุทธิยานก็เลยสอนลาหุนเธอจงทําจิตของเธอเหมือนกับลมเหมือนกับน้ำเหมือนกับไฟเหมือนกับดินเลดินใครจะกระทึบไปใครจะย่องไปใครจะกราบจวให้ดินไม่หวาเลยลมก็ย่อพัดทั้งของสะอาดของตกปตกน้ําก็ต้องพัดหรือคนย่อมทิ้งทั้งของสะอาดของตกปตกลงในน้ําน้ําก็ไม่เหลือกใครรักมักที่ฉันไฟก็ไม่ทั้งของสะอาดของตกปตกเธอจงทําจิตของเธอเป็นอย่างนั้นแล้วเธอจะคนจากความทุกข์ พระาหุนก็เลยคิดว่าโชคดีของเรากลับมาเลยนั่งทำสมาธิทำจิตให้มันเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนไฟเหมือนลมแต่ว่าก็ว่าทำยังไงมันก็ยังดเนก่ยพระสารีบุตรก็เลยเดินผ่านมาก็เลยบอกว่านี่อนุนี่ราหุนเธอจึงเจริญอาณาปานสติสิล้วพระ อ, อนุนก็เอพระลาหุนก็เลยสงสัยว่าเ hey, อาณาปานสตินี่ทำยังไง ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าตอนเย็นพระา่าก็บอกตงตทีังว่าอัันโตแลสังว่าอัันโตยันไปจนถึงปฏินิสขานุปสีดังที่เราสวดมาเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ขอพ่ายเสียงผมไม่ไหวนะพระดัิบทท่านมักกตสอนตาพกของท่านเรตารมนี้ของท่านติวิหาริอันเตวสิกของท่านเนี่ยด้วยอ า, าณาปานตติแล้ว อยู่ในคำพีคุตตะนิกกายปณิสัมพิทามักดังกล่าวเนี่ยพะระบาลีบัท่านก็บอกว่ า, าภิกษุใดผู้ใดก็ตามเจริญอนาณาปานาสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วได้สอนไปแล้วภิกษุนั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สรงสว่างเหมือนพระจันโคจรออกจากกลุ่มเมฆ น, นั้นอาษาบาลีว่าอาณาปานัสติ ยัสตปริปุนาสุภาวิตาอนุบุพังปริจิตตาจะท่าภูเทนเทเจตาโซยมังโลกังประพาศเสติอัภามุตโตวจัจฉิมากูได้เจริญอาณาปานสติให้สมบูรณ์แบบตามลําดับดังที่พุทธเจ้าได้ตรัอสอเอาไว้แล้วเชื่อว่าอนุบุพังปริจิตตาตามลําดับไปจะท่าภูเทนเทเจตาดังที่พุทธเจ้าได้สอนแล้วโซยมังโลกังประพาศเสติอัภามุตโตวจัจฉิมา ี่ส่วนนั้นคุณผู้ชยังโลงนี้ให้ส่งสว่างมองพระเจงโคจรออกจากกลุ่มเมฆกันนั้นทั้งหมดนี้เป็นคำกล่าวของาภาษาลิปต์ที่นี้มันมีคำว่าอะนุปพังปริจิตตาจะท่าพุทเทนทะสิตาปริปนนาสุพาวิต า, าจะเริญโดยลําดับไปตามที่พุทธเจ้าสอนจเจริญโดยลําดับไปตามที่พุทธเจ้าสอนทําอย่างไรนี่แหละนี่แหละที่เรา ที่เราสวดกันอยู่เมื่อกี้นี้เรารู้คําว่าลําดับหรือยังลําดับหรือยังลําดับของมันก็คือตั้งแต่ว่าทีคังวาเป็นไปจนถึงปฏิวิสศคาทั้งหมดนั้นมันมีอยู่สิบหกขั้นตอนสิบหกขั้นตอนแล้วมันก็นมาแบ่งออกมาเป็นสีน่เป็นเป็นเป็ น, 4, 4นเป็นสี่สี่ตอนเป็นสี่หมวดสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นตอนสี่สี่เป็นสิบหก กันต้งหลายเพือฟังให้ดีนะอย่าให้มันเสียเวลาที่พูดกันจนเนื่อยอีสีขั้นตอนแรกในหมวดแรกเป็นเรื่องจัดการกับกายอย่างเดียวเรียกว่ากายยานุปัสนาในสติ ป, ปัฏฐานกอลมหายใจนี่มันเป็นกายตั้งแต่ลมยาวไปลมสั้นไปจนถึง ลมละเอียดลงจนถึงความสงบลงนับของตายจนไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้ดไม่ร้าวและจิตก็สงบด้วยมันก็ฝึกเวียงเรื่องตายคือเอาตายไว้อยู่แต่อำนาจจะนั่งอยู่ทั้งคืนก็ยังไหวนี่ต่อมาตอนสองหมวดที่สองเริ่มใช้คาว่ า, าปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะ เริ่มเป็นวิปัสนาคือมีปัญญานำหน้าสมาธิไปแล้วที่แรกก็ค่อย ต, ตีตีตีคู่กันมาดังเก่าแล้วนะหมวดนี้เป็นหมวดเวทนาจากข้อที่ห้าถึงข้อที่แปดทำไมจะเรียกว่าเวทนาคือเวทนานุ ป, ปัตนาปีติก็ดีความสุขก็ดีนั่นแหละรวมกันเป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนา ในอนาาตสตินี้ไม่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาแต่จะเอาสุขเวทนานั้นมาเป็นเครื่องมือเพราะว่าเดนี่เราเป็นทุกข์เป็นร้อนกันทั้งโลกมีปัญหากันทั้งโลกผล่กับมีทะเลาะ ก, กันเลิกกันก็เพราะสุขเวทนาอยู่ด้วยกันมันไม่จอยมันไม่สุขเวทนานอนด้วยกันไม่เป็นสุขกินด้วยกันไม่เป็นสุขมันก็เลยทิ้งเงินทะเลาะ ก, กันที่เขาประชุมรดอาวุธ ขีปนาวุธเพื่ชิงซ้องอะไรต่างๆหรือว่าโครงการสตาร์องนั้นก็เกิดมาจากเวทนาคือสุ ข, ขเวทนาที่ไปตั้งอยู่บนดวงดว ง, ง, งดาวอะไรต่างๆก็เพื่อสุ ข, ขเวทนาเพื่อความสุขทางกายทางจิตที่นี่ความสุขนี่แหละมันมีอํานาจมีอิทธิพลให้คนเป็นบ้าเป็นหลังเปนทุกขเป็นร้อนตกนาลกขึ้นสวรรค์ก็เพราะสุข ทีนี่เราก็เลยเอาสุกนี้แหละมาเป็นเครื่องมือศึกษาจะไม่ติดมันความสุขเราได้โดยการทําสมาธิให้กายลํางับจนเย็นแสนจะเย็จนจนมีความสุกจนเหมือนกับล่องลอยไปในอวากาศในจ้ากวาลแล้วเราก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดบ่ออนซอนอีองั้นในโลกนี้ออนซอนเจ้าของนี่วายจรงสิ ว ท, ที่การอ่อนซอนเจ้าหองหรือว่าพอใจตนเองเป็นปีติเป็นความสุขมันไม่ปลอดภัยวันหนึ่งมันก็จะกลับมาบีบคั้นมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอานิจังข้กขังอานาตาเราก็เลยเอามันมาดูมาดูมาดูาดจนรู้ชมหน้ารู้มายาส้าไถ่ของมันเพราะปีติก็ดีความสุขก็ดีรวมกันแล้วเป็นทุก ข, ขวเวทนานไอ้เวทนานี่แหละมันก็รวมกันเป็นสังขาร เป็นสังขารฝ่ายจิตที่โดียวจิตตสังขารสังไปว่าพร้อมการะกระทาสังคาระสังกระก็ไปว่ากระทาพร้อมกันพร้อมกันจากเวหนาสมมุติว่าเราพอใจก็เสียงเพลงอันไพเราะของพรสักอสองแสงเราก็ไปตุ้งแต่งอยากจะเป็น นักร้องชื่อดังอันดับหนึ่งเหมือนพรสักปองเสงมันนั่นนะปรุงแต่งนี่คือคือสังขารแล้วเราเห็นไข่ฟื้นสวยขึ้นมาแล้วเกิดพอใจเรียกว่าสุขเวทนาในการพอใจแล้วก็ไปนอนปรุงแต่งอยากจะเป็นขัวของคนคนนั่นอยากเกิดเป็นคนนั่นมาเป็นเนี่มันปรุงนอนอยู่ในนี่แหละแต่มันไปสําเร็จเสร็จเรียบร้อยเป็นโพวเป็นเนียเป็นอะไรกันมดนี่คือสังขารที่เรียกว่าจิตสังขาร พอจนอย่างนั้นหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติทำจิตเราสงบประงับเราปริติขึ้นมามีความสุขขึ้นมาไอสุขเวทนาอันเกิดจากติติตแต่ความสุขอันเกิดมาจากสมาธิมันก็ปรุงแต่งจิตให้จิตคิดดีๆว่าเราเป็นพระอริยะเราอยากจะไปสอนไปเทศให้คนโน่นคนนี้ฟังเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติจะตั้งสำนักใดโต เปลื่นฟงสหธรรมี่ลูกศิษลูกหิลาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนั่นคือมันปุงสังขารมันปุงมันทํางานจิตทํางานสร้างวิมานในอากาศตร้างนาลกในอากาศได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากเห็นดูความสุขแล้วเราก็จะเห็นความคิดที่มันปุงแต่งเราก็เลยเอามาดูอีกว่าจิตตสั้งข้าลังปฏิสังเวทีอัสสิสสามีติสิทธิ ที่ส่วนนั้นทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งจิตตังคานยู้จะหายใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นลำดับลำดับลำดับที่เรียกว่าอานุบุพังปริกิตตายจท้าภูเทนเทสิตาคือตามลำดับที่พระเจ้าสอนแล้วเีนี้เราตามลำดับกันไหมล่ะธรรมานาปานสติมันก็ไม่มีลำดับไม่มีขั้นไม่มีตอน ไปนั่งอยู่กับหูโทรโทรหูโ ท, ทรไม่รู้ขั้นไหนตอนไหนแหละพอสงบลงงับลงไปเสร็จพุดโทก็หมดหมดแล้วทีนี้ก็ไปดิ่งอยู่ที่ที่ที่ความสงบเนี่ไปไหนได้อีกก็ไม่น่าไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกความสงบแต่ม่ามีความสุขมันมีความสุขอันนี้มันมัน ม, ม, ม, มันไม่เสียหายหรอกแต่มันไม่ก้าวหน้าไปถึงขั้นได้เรียก ว, วิปัสสนาพอพน้นออกมามันก็เป็นทุกข์ ถูกบีบถูกขั้นอะไรมาให้รักมันก็รักมาให้ชังเขาชังมาให้โกะโกะมาให้เจียดก็เกียดเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดซึ่งไม่มีใครเอามาพูดกันผมก็จะถือโอกาสพูดให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ว่าเรื่องความสงบยังไม่มีใครพูดกันใครก็บาถานาทั้งนั้นแต่สงบน่นมันมีอยู่สองสงบ ไอ้สงดิ่งลงไปไม่คิดอะไรแล้วมันก็เป็นสุกเข้านั้นนะ่ะสุกแสนสุกแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็นไม่ว่ามันเป็นโทษหรอกเป็นสิ่งที่ควรเสพติดอยู่รอแต่ว่ามันไม่กาหนะ้าแล้วมีโสดหนึ่งที่ครั้งแรกกาะพระพุทธเจ้าท่านพูดมีพระก็ไปเฝ้าท่านท่รรานกะเลยเทศในฟังว่าดูก่อนพิสุตังหลาย ถ้าเธอทั้งหลายไม่ทำให้จิตนี้ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกไม่ทำให้จิตนี้สงบลำงับแน่นิ่งดูภายในแล้วไม่ทำให้จิตนี้สะดุ้งเพราะความยึดมั่นถือมัน่นเธอทั้งหลายก็จะพ้นจากชาติชลาโมระโสกปริเทวะและพระองค์ก็เก่าอีกว่าย่อมไม่เกิดและย่อมไม่ตาย ส่วนนี้มีชื่อว่าอุเทศวิพังคตุปริพนามจิมันอิกายเริ่มที่สิบสี่ข้อที่หกร้อยสามสิบแปดนาที่สามร้อยห้าสิบอยู่เริ่มเดียวกันกับอนาปานสติสูตรที่ที่ตับสพสรงไรที่บุภาลามไม่ไกลกันมากนะคือท่าผพู้อย่างนี้แล้วท่านก็เดินเดินเข้าไปที่คันทักดีพักเลยพี่สังายก็งงเอทําไม ทำไมพูดอย่างเงี้ยบอกไม่ให้จิตสงบแน่นิ่งแล้วไม่ให้ฟุ้งไปภายนอกไม่ให้สะดุ้งบุความยึดมั่นแล้วจกไม่เกิดไม่ไายคนอยากชาติลาโซกับปรีเทวะแล้วจะให้เราทํำยังไงเนี่ยสงบก็ไม่สงบฟุ้งไปก็ไม่เห็ฟุ้งเลยจะทำยังไงนี่เขาไม่เข้าใจท่านไปหันหน้าหันหลังพระทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้จะถามใครก็เห็นพระมหาการเจนะนั่งอยู่ก็เข้าไปกราบถามว่าท่านมหาการเจนะเป็นนักปราชเป็นบัณฑิต พระพุทธมีพระเจ้าทรงสรรเสริ ญ, ญขอท่านจงวิทศนาจงอธิบายสูตรนี้อุเทศนี้ให้ขพระเจ้าให้ครับว่าให้ พ, กหพวกกับผมทั้งหลายได้รู้ว่าทําไมพระจ้องค์ทรงกล่าวอย่างนี้ข้กากนะพเจ้านก็ผัดเพี้ยนบอกว่ า, วาในเมื่อท่านทั้งหลายแบกขวานเข้ามาในป่าใหญ่แล้วท่านต้องการแกนไม้ทําไมท่านจึงไม่ไปตัดเอาต้นไม้ท่านมาเด็ดเอายอดอ่อนๆยังไง พระสาวดาอยู่ทั้งคนทําไมท่านไม่ไปทําต้องมาถามผมเปรียบเสมือนยอดอ่อนๆของต้นไม้พี่ส่วนหนึ่งก็บอก ว, ว่าพวกเราผมทั้งหลายไม่อยากจะรบกวนพราะพวกมีภาคเจ้าให้ลาบากแก่พระองค์เพราะพระองค์ตรัสเพียงเท่านี้อุเทศนี้แล้วพระองค์ไม่อธิบายแล้วพระองค์ก็จากไปขอให้ท่านพระมาหา่างใจ น, นะผู้มีอายุจ ง, ง, งได้อธิบายาก็ผนะูดพัดพิงกอยู่สองสาครั้งในที่สุดทางกั็เลยอธิบายต้องห่างใจนะท่ก็อธิบายบอกว่า อ ย, ย อ, อยากให้จิตฟุ้งไปสร้างไปภายนอกคืออย่าให้มันรุ่มหลงไปกับนี่บอนกวางคือพวกเอความกำหนักขัดเคืองความลังเลสงสัยความฟุง้งฟ้าน้ำคาญความม่วงเงาเเขวนนเนในทำจิตให้มันระงับนี่บอล น, นี้ให้ได้ให้กายระงับจิตละงับแต่ที่บว่ยาทําให้จิตนี่สงบอยู่ภายในก็หมายถึงว่ญญาอยากไปหลงติดอยู่กับฌาน ตั้งแต่ทานที่หึงที่สองที่สามที่สี่มันดีมันมีความสุขมีปีติมีเอกขะตามีความสุขมีอปีติต่อมามีสติอันบริสุทธิ์มีโอเบคา้าเนี่ยมันต้นที่จะมีความสุขก็อย่าไปติดมันเทนี้ถ้าบอกว่าอย่าทําจิตนี้ให้สดะดุ้งบอกความยึดมัน่นเพราะเพราะว่าเมื่อใดตาก็ดีหู ก, ก็ดีอย่าโมลินกายใจก็ดีมันได้กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสปัตตะพระธรรมารมคือความคิดใดๆก็ตามเกิดขึ้นในใจอย่าไปยึดมัน่นหรือมัน่นมัน ปล่อยให้าอยายตนะเหล่านั้น เ, เป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาอนัตนตา เ, เ, เป็นเองเป็นเองเป็นเองของมันอย่างนั้นมันเป็นของมันเองไม่ใช่ว่าเราใช้หูให้มันได้ยินไม่ใช่ว่าเราใช้ตาให้มันเห็นในเมื่อตายังไม่บอดมัน ย, ออ ย, ย, อย่อมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหูยังไม่หนมันย่อมได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเสียงดีเสียงชั่วทั้งลูกสวยลูกขี้เล่ย่อมเห็นนั่นเราห้ามมันไม่ได้ว่าอย่าเห็นนะอย่าได้ยินนะหูนะเสียงที่ไม่ดีแกจะได้ยินนะจึงได้ยินห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นเองแล้วก็ไม่่ยตั้้งงฟอีกดว ไม่ได้ตั้งใจดูอีกด้วยไอ้จิตนี้ก็เหมือนการใจคิดดีคิดชัว่วคิดอดีตคิดอนาคตรเราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นมันเองนั่นเอองมันแต่อย่าไปยึดมั่นของมันให้มันเห็นอนัตตาอยู่ในอายุตนะแล้วมันก็จะไม่สะดุ้งเพราะความยึดมั่นในสิ่งใดแล้วก็จะไม่เกิดไม่ตายผลอยากชลามโมระนสกกะปริเทวุวาคำนี้เป็นคำตอบของท่านพระมหาการยานะเมื่อท่านตอบอย่างนี้เสร็จ ข้าแล้วนั่นก็เข้าใจไปก็ยังสงสัยเพราะธรรมดาพุทุชนของเราย่อมสงสัยนะครับท่านหลายต้องเข้าใจว่าเราเป็นพุทุชนนี้สงสัยนะใครจะมาพูดยังไงก็ยังสงสัยอยู่ดีๆเข้าใจก็ยังสงสัยผู้ที่จะทําลายความสงสัยเสียได้ก็จะต้องเห็นประจักษ์แจ้งโดยสัจจะในจิตในใจอย่างน้อยที่เรียกว่าโสดาบันผู้เข้าถึงกับแตแห่งธรรมหมดความสงสัยในธรรมว่เป็นไปได้ไหม ว่า น, นี่คือมีทุกข์เป็นอย่างนี้เห็นเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับลงเหนทุกขหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็อยู่ตรงนี้แน่นอนไม่สงสัยไม่ถามใครอาตธรรมกะถีเป็นผู้ไม่ถามใครคือมันเห็นได้ชัดเจนเมื่อเราไปเหยียบไฟไปกำไฟมันร้อนแล้วไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเชื่อใครพ้<ะ>คนความสงสัยว่าไฟร้อนหรือไม่ร้อนต่อให้เทวดาเขียวๆมานอนโอหกบอกว่าคุณจับไฟนี่นอนตาแข็งแล้วก็ จับมันนะมันจะนิ่มนวลที่สุดอะไรต่างๆมันจะนิ่มมันจะเย็นพูดยังไงก็เชื่อไม่ได้พอเราถูกไฟไหม้มาแล้วอย่างนี้เรียกว่าประจักษ์แจ้งโดยสัจจะที่เป็นพระเจ้าตังเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงผ่านข้อสงสัยที่เรียกว่าสกฤทิฏฐิวิจิกิจชาสีรัพตะปละมาคำว่าวิจิกิจชานี่คือความสงสัยด่านนี้ทําลายทะลุทะลงเสร็จเรียไม่ต้องถามใคร แม้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทรงถามไม่ทูลถามพระองค์ให้พระองค์ทรงลาบากไม่ทูลถามมีลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นเพื่อพระภิกษเหลนั้นก็ยังสงสัยอยู่งดีเมื่อพระมหากระจายนะท่า น, น, นตอบอย่างเนี้ยพอโตเกณฑ์ก็ไปเฝ้าผู้มีภาคเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าแต่ผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญท่านพระมหากระจยายนะผู้มีอายุได้ อ, อธิบายอุเทศอนแห่งพระษาตดาที่กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ พระภูริจ่าห้านบอกว่าสาธุพิกสุท์ทั้งหลายกจายเนะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเธอพูดนั้นถูกแล้วถ้าหาพวกเธอทั้งหลายมาถามเราสักร้อยครั้งเราก็จะตอบอย่างนี้เหมือนกันนี่ใคยเคยด้ว่าความสงบนั้นนะเป็นของดีสงบด้วยเกิดความสุขในทางสมาธิแต่มันยังไม่ปลอดภัยนะมีโอกาสล่มลงและมีโอกาสเสื่อม เพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงต้องเอามาเป็นหัวข้อพิจารณาคั้นที่หกเกี่ยวกัสุขะปัฏิสังเวทีรู้แจ้งความสุขใ้ความสุขนี่เกิดมาจากสมาธิเป็นผลของสมาธิเป็นผลอันเกิดมาจากความสงบในความสงมเรามีได้สองอันนะสองตอนสงบครั้งแรกเมื่อกายลำงับลงลมหายใจละเอียดลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลำงับนองกล้ามกายเย็นลงความคิดก็ลำงับลงด้วยกัน เรียกว่าเป็นอ่าประจบเหมาะหรือว่าโดยบังเอิญเมื่อกายลำงับจิตล็ลำงับลงไปแต่พร้อมแล้วมันก็พ ร, นพร้อมที่จะฟุ้งขึ้นมาเมื่อมีอะไรกระทบรบกวนที่เรียกว่าสเตอร์อัพขึ้นมามีความสงบช่วงนี้สงบตายแล้วก็สงบจิตกายลำงับจิตลำงับช่วงนี้มันลำงับด้วยอำํำนาจของสมาธิหรือเรียกว่าอํานาจของสมาธะยังไม่ใช่อนานาจของวิปัสสนาอย่างไม่ปลอดภัย แต่กิตจะระนำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันปัจจุบันที่เรียกว่าจิตสังขารหลังปฏิสัง์เวทีรู้แจ้งจิตสังขารทุกเมื่อลองนั่งเมื่อมีสมาธิพอแล้วนั่งดูเดินดูนอนดูมันคิดอะไรรู้มันหมดแต่คิดได้คิดมีคิดดีคิดเกินคิดอดีคิดอนาคตคิดได้คิดเสียเสียคิดชั่วคิดดีอะไรรู้มันหมดไม่เป็นเจ้าของความคิดนั้น ไี้ความคิดนั้นไม่ใช่ตัวรู้ไอ้ตัวรู้นี่ไม่ใช่ตัวคิดแต่มันคนอ่านกันอยู่ให้มันแยกออกมาจากกันได้รู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วเหมือนเราเราเราหัดเราหัดหมุนคื่อยนต์ครั้งแรกมันยังไม่ติดพอหมุนหมุนหมุนมุนได้รอบความถี่มันเต็มที่ความรอบมันจัดพอแล้วเราปล่อยวางมันก็ติดเองมันตึมตึมตๆมตมทีนี้เราก็ไม่ต้องหมุน สตินี่ก็เหมือนกันเราฝึกมันตั้งแต่ฝึกไปฝึกรู้ความคิดรู้ความรู้สึกฝึกไปฝึกมาตั้งแต่ตื่ขึ้นจนหลับไปไหนมาไหนช่วงนี้ไม่ต้องการสมาธิเท่าไรเพราะสมาธิได้เกิดมีแล้วเนี่ยเกิดมีตั้งแต่กายละงับแล้วเกิดมีตั้งแต่เกิดปีติเกิดมีจากความสุกแล้วเราเอามาดูฝึกเอาสมาธินี่มันเป็นกําลังของสติดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจความคิดที่มันเกิดขึ้นรู้แล้วรู้อีกรู้อีกรูก้แล้วรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ย ในที่สุดมันรู้ทันกันเป็นปัจจุบันเป็นพดคิดมาก็รู้เฉยเมื่อเรารู้เข้ามากๆความคิดโผล่ขึ้นมามันก็ดับไปที่ขึ้นก็ดับไปคิดขึ้นก็ดับไปที่ขึ้นก็ดับไปอย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติความคิดไม่มีอิทธิพลเหนือจิตนีังะมันก็สงบไอ้สงบแบบนี้ไม่ใช่สงบแบบครั้งแรกไอ้สงบครั้งแรกสงบไม่คิดอะไรเลยหูดับตงรงไปเลยอย่างสงบเมื่อตายลำงับเดินลงมาใจละเอียดลงแถวลง จนไม่มีลมหายใจยิ่งใครเป็นฌานถึงฌานจะตุตาฌานมันมันไม่หายใจไปเลยไอความคิดมันจะมีมาได้จากไหนแต่มันก็ไม่มีความรู้นะมันก็มีความสุขทีนี้มันก็สงบเรยกว่าสงบสงบสมาธะสงบสมาธิทีนี้พอเรารู้ทันมันรู้ทันมันรู้ทันมันรู้ทันมันอย่างงี้ในที่สุดมันเป็นอัตโนมัติของมันเองจนถึงขนาดว่าดั่งลงไปในความรู้สึกไม้แต่จะนอนหลับ หลับก็หลับแต่กายจิตนี่มันก็ตื่นสติมันก็ตื่นสติโลกกับสติชาคลโลกสติเป็นตัวเตือนอยู่ในโลกเนี่ยกายก็หลับไปสินอนโกไปสิแต่อีตัวเตือนมันก็มีเนี่ยจาฝันมันก็รู้อยู่นี่มันก็เห็นนี่มันก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยหรือขณะที่ฝันไปนี่มันก็มีสติอยู่ในฝันนั่นนะคนเราไม่มีสติมันก็ฝันเลอะเลือนไปหมดนะไม่มีสติ ที่ไปฟันเละฝันห้อยฝันอะไรบ่อยๆคืน 10, 10นึ่งฟันไปสบสิบครั้งนะไม่มีสติเลยให้มีสติหลอกที่นี่สติที่นี่มันอยัางรู้ที่เรียกว่าอยัางรู้ลงไปคือเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่า boring in the sense boring n e s เจาะลงไปในประสาทเลยแต่จะนอนหลับฟันไปก็มีสติอยู่ในลมหายใจจะคิดจะทำอะไรในฟันก็มีสติอยู่จนตื่นขึ้นมาก็มีสติต่ออย่างนี้ อันนี้เลรว่ามันเข้าไปอย่างรู้ตัวนี้เข้าไปอย่างรู้แล้วมันก็เกิด อ, อาการสงบที่สงบที่นี่ไม่ใช่สงบของสมถะสงบของสมถะเป็นสงบอันเกิดจากสติหรือสงบของวิปัสนาคิดทั้งวันก็ไม่บุนวายหูก็ได้ยินเตียงตัวอย่างตาก็เห็นโลกตัวอย่างนั่งอยู่ในโลกงลังลงลคออะไรสงบอยู่คือหูก็ได้ยินนั่นแหละแต่ใจมันไม่ตึง มันได้ยินเฉยๆเห็นเฉยๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านจะ ม, มาถึงช่วงนี้จิตมันสบายมันมีที่อยู่อาหารไม่เป็นพิษอาหารอะไรเป็นพิศที่พูดๆว่า i, alo, อาวิสาหาโลอวิสาหาโลอาหารไม่เป็นพิศไม่ได้หมายถึงอาหารที่กินเข้าไปทางปากอาหารหูอาหารตาอาหารจมูกมาให้งามมันก็เป็นพิษพอใจมาให้ไม่พอใจไม่งามมันก็เป็นพิษอีกไม่พอใจ ฟังไพเราะทางหูมันพอใจมันก็เป็นพิษชักลาก่าจิตใจให้ล้องไอยอย่างหน้าอย่างอยากเป็นตามถ้าเสียงดาอะไรเกิดมันได้ยินมันก็เป็นพิษในทางโลกเป็นพิษในทางบวกทําให้จิตใจนี่เป็นอาพาธใจไม่สบายที่นี้พอรู้มันเฉยๆได้ยินเฉยๆได้กินเฉยๆได้สัมผัสเฉยๆความคิดกิดคิดเฉยๆรู้ทันอย่างเงี้ย ไอ้อย่างนี้ไงเรียกว่าอาวิสาหาโรอาหารไม่เป็นพิษอวิสาตะมณฑสถานจิตหมดพิษใดๆที่จะเสียแทงอาหารมันมีหลายอาหารต่างๆนะอาหารที่กินเข้าไปทางปากพเพื่อหอลี้ยร่างกายเป็นเป็นอาหารทางกายเรียกว่าฟิสกันพูดหรือว่าฟิสกันนิวทริเมนต์เป็นภาษาฝรั่งเนี่ยมันกินอยู่ไปทางกาย แอีอาหารอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้นะคืออะไรอาหารทางจิตอาหารทางตาทางหูที่เกิดจากพัฒนาภาษาบาลีว่าพัฒนาอาหารผัฒนาอาหารอาหารอันเกิดจากการกระทบทางตาทางหูพูดถึงตรืเนี้เรามานึกถึงสมัยเกาะแถบทางโนทางท่าอูเทนตีสงครามผมไปเล่นทั้งนู่นนะทั้งนู่นก็พูดภาษาเย่อถ้าเห็นก็จะรสโอ้ยีข้อมองเป็นอาหารตาได้เป็นเตืน่น อาหารตาเขาพูดโถกแล้วไม่ใช่ถูกคือตาเลยแล้วมันก็เข้าไปในใจนั่นแหละทีนี้อาหารตามันก็เป็นพิษแหละเห็นคนตัวยมองแล้วได้พวับมันนอนเป็นทุกข์คิดถึงอาหารตาเป็นพิษอีกแล้วเสียบแทงจิตใจพระพุทธเจา้าท่านใช้คำนี้มันโกที่สุดคือว่าอวิสาหาโลอาหารไม่เป็นพิษได่มีพิษใ ด, ด้เสียบแทงอวิสาคตมนาสตาเนี่ยเรียว่าผัสสาหารมนโนสังเกตแต่หาหารวิญ ญ, ญาณหาหัน พวกเรียนทักธรรมมาเนี่ยของความผูกในมโนสังเจตอนอาหารนี่ผมจะแปลใหม่ไง่ายๆว่าความหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังเป็นอาหารใจถ้าหวังอย่างนี้ไม่ได้ก็มีความหวังอย่างใหม่ถ้าสิ้นหวังแล้วอยู่ไม่ได้ผูกคอตายกินยาตายหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อย่าอยู่เลยตายเสียดีกว่าอะไรทับนอกคนโบราณอีสานของเรานะพูดไว้คาหนึ่งแบบที่เรียกว่าผักมนโนสังเจตอนอาหาร เขียนไว้ในหนังสือเรื่องลึกประศลลึกประศเป็นเสน่ห์ น, หนนะสุดที่อาวลึกประศอย่างผู้ชายที่ผิดบังจากผู้หญิงก็จะพูดถ้าฟังไม่ถูกมั น, ม, น, ม, นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวทางโลกแต่ถ้าฟังถูกมันเป็นเรื่องเป็นราวทางคำที่บอกว่าคิตตน้าอทองหล่อมน้องตงุ้งมวเป็นกระสาวคือต้นหน้านอกบานั้างํำเป็นไระซิ่งอย่างเงี้ย คือต่อ อ, อ่ย อ, อ่ยกิดเกิดเป็นเ ล, เล่าคือต่อเล่าแข็มของพัดเราเป็นกอไข่คือต่อหนามบาั้งไสสั้นมากคนคือต่อตอดอกกอดอกสอนเพื่อเขาสัางบาไร่ขันบรหน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเพชรทีสิกับขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเทนเ่าตั้งต่อบาลมีสังเอาบุญเป็นทีธนนาหน่วยแก้วขอหเห็นหน่วยแก้วพี่รุ่นเข็มขาเภษปารณนาหน่วยแก้วไพ่หนาสาบสิมาก ดิลักษณะเช่นนี้คือลักษณะที่เดวะมโนสังเกตนาหานไม่สิ้นหวงังคิดต่อหน้าทองลงน้องสุมเมี่ยเพิ่นกระซาวนี่ผิดบวังแล้วก็ไ ป, ไปไปไปไปไปวังใหม่คิดต่อหน้านอกบ้านทั้งํามเพิ่นกระสิ่งในผิดบาังอีกสองแล้วก็ไปวังต่อไปใหม่อีกคิดต่ออ่อยเกิดเป็นเล่าเอาอาีกผิดบาังอีกแล้วก็ไปคิดต่อเล่าแคมของกันเล่าเป็นกอไข่ก็ผิดหวังอีกคิดต่อหนา้าว่างไปสั่งมากคุณ พิดหวังอีกอ ก, ตกิตตกรดอกฝสอนเพื่อเข้าคนบ่ไล่พีดหวังอีกแต่ยังไม่อยากตายเพราะอาหารใจมันมีก็ต้องหวังใหม่ที่หวังอย่างไงเมื่อใดหน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเถิดปีจิกับขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเทนเท่าวยุ่นหวังใหม่ที่นี่หวังไปบวชตั้งประบาละมีสา่างเอาบุญเบนทีเพิงป่าถนะหน่วยแก้วพิราชเข็มสาบสีมาประดัน เขายังมีหวังเลยว่ามีอาหารฐานใจดิหรือไมนโนสันเจตน า, า่ะถ้าหวังอะไรไม่ได้แนละ้หมดหวังจริงอะไรก็ไม่หวังอีกตายเสียหลีกว่ายายอยูุเลยเนี่ยคนจีนหวังคนผิดหวังลมละลายเกงมีนะมีเนี่ยใช่หไหมอย่างที่โกงเครื่องร่าทนะเขากําลังสอบนะกำลังจะขึ้นสามแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็มันผิดหวังหมดแล้วมีมากมายก็ช่วยอะไรเมื่อได้มี ความหวังอย่างเดียวว่าฉันต้องเข้าคุกเมนอนเข้าสั่งเตะตายเสียรีกว่ายาอยู่เลยปืนยิงหัวตนเองนะนั่นเรียก ว, ว่าหมดอาหารอาหารทั้งหมดไม่ไหวอาหารกายอาหารทางปัะ ส, สะอาหารมูออาหารตาหรือความหวังใดๆไม่บีบคันที่เสียแทงจิ่งกว่าว่าอาุ้ยสาหาโลอาหารให้เป็นพิษไม่พูที่เจ้าไว้ไม่พูดอย่างนี้นะชัดเจนมากนะย ให้บ่าววสพสเตเสสุขามันตะสัมภูเตสุภิสุสทังไรเมือกับอ่าเดือนแห่งฤดูร้อนชาวนานได้ขนข้าวขนป่าขึ้นบ้านหมดแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เพียงแต่ไปนอนอยู่ในที่แจ้งในอ่ใต้ร่มไม้กําหนดมองดูว่านั่นโค ข, ของเราเนั่งโค ข, ของเร า, ขขเ า, ขขเาก็พอแล้วในเธอทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อจิตถึงขั้นทีว่วารู้แจ้งเจิตสังขารยังเจิตสังขารระมัดแล้วนี่ย ก็เพียงได้กําหนดว่านั่นทำทั้งหลายนั่นจิตนั่นทำนี่ก็เหมือนกันเมื่อมันรู้กันทันเข้าทันเข้าทันเข้าความคิดเกิดขึ้นรู้คิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ทันรู้ไปรู้มามันรู้โดยอัตโนมัติเป็นมหาสติมหาปัญญาอยู่ในตัวของมันสแตนบายรู้อยู่อย่างนั้นเป็นซูเปอร์สแตนดาดีโลอย่งนั้นมันก็หมดปัญหาเหมือนไปเลี้ยงควายหน้าแรงปล่อยลราไปเลยในทุ่งบุญญาณมันกินเขาไปได้เขาเกี่ยวแล้วเขา ตีเขาแก่เกินบานเรียบก้อยแล้วไปนอนเลี้ยวบึงตะวั น, นมันโมหีแต่ก่อนเราฝึกใหม่ๆก็เหมือนไปเลี้ยวควายเลี้ยวๆคุ้ยโคกย่ำๆเขาวันดำหน้าไปวันนี้จะไปกินขเขาเขาเออวันน้มันจะไปกินแล้วเขากจิจับสะจองสะปับ๊บเมือนกันอารมณ์เมื่อเราฝึกใหม่ๆเพ้อไม่ได้มันไปน่นมันมานี่มันฟับแล้วฟาดที่เจลุงเจลุง ที่นี้เราก็ตามดูมันตามดูมันเจยจิตังสังนมิสันดิโมกันดิมาละพันนัหนงผู้ใดตามรู้จิตลักษณะจิตของตนผู้นั้นก็พก้นจากบ่วงแห่งมานต่อมาต่อมาเพื่อเรารู้ทันมันเข้านำมันเข้าเอาไปเอามาเหมือนกับเขาเกี่ยวข้าวเขาง่วนข้าวไปข้าวแล้วแก้ขึ้บางแล้วละมันเลี่ยงเลี่ยงกับเบญญเลี่ยงง่วกับเบญญาปล่อยไปรอดไปนั่งเบิง่งแต่งเอาใหม่ไปนอนเบิ่งในเถียงนา ว่าในมันเห็นอยู่เป็นอันว่าใส่ใดบอกตรงว่ามูมันจะไปกินเอียงเุณยนู่นเขาเกี่ยวแล้วจิตนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่รู้ปั๊บรู้แล้วมันกระดับลงไปจะโกรธขึ้นมาก็รู้ปั๊บมันกระดับลงไปจะรักขึ้นมารู้ปั๊บมันกระดับลงไปอย่างนี้แหละจิตก็นับมันที่จะโกรธยากรักยากชังยากเตียดยากกลัวยากมาให้รักก็ไม่รักในง่ายมาให้โกรธก็ไม่โกรธในง่ายมาให้ชังก็ไม่ชังในง่ายมาให้เตียก็ไม่เตียในง่ายๆ ความที่ถือเนื้อถือตัวมีมานะทิฏฐิต่างๆก็นับวันที่จะลดน้อยถอยลองลดมานละทิฏฐิเนี่ยคือการทำอนาบานสติเพียงแต่ขั้นที่แปดเท่านั้นนะเนี่ยมาครึ่งนี้ไปได้มากแล้วที่ยังเหลืออีกแปดตอนก็คือตอนที่จะไปทำกับจิตทากบจิตที่เรียกว่าจิตตานุปัฏนาเริ่มตั้งแต่จิตตปฏิสังเวทีรู้แจ้งจิต จิตตนเองมันเต้ามองมันตลอดหดหูมันเบิกบานมันพอพอใจอะไร อ, อ, อันนาปานาสตินีมันมีอยู่สี่หมวดด้วยกันสี่ตอนนี่แต่ละแต่ละหมวดมันมีอยู่สี่สี่ขั้นตอนแลรวลมกันเป็นสิบหกเราพูดกันมาแล้วสองหมวดตัวหมวดว่าด้วยกายเป็นว่ากายานุปัสสนา ต่อมาก็หมวดว่าโดยเวทนาสรุปอีกทีหนึ่งว่าหมวดแรกสี่ขั้นตอนตั้งแต่หับลมยา ว, ยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวยาวจนเต็มในท้องในไส้จนมันอัดไปจนทั่วทั้งร่างกายแล้วมันก็จะก่อให้เกิดสุขภาพทางกายดีขึ้นไหลเวียนของโลงหิต ด, ดีขึ้นสมองดีประสาทดี อะไรต่างๆทีนีปอดนี่มันก็ได้รับออกซเยนเต็มมันก็ฟองโลหิตดําเป็นโลหิตแดงเลื่อยที่มันเสียให้มันดีตรงให้หัวใจหัวใจก็ลายเวียนไปทั่วร่างกายการทํำลมยาวนั้นไม่ใช่เป็นประโยชน์เพียงแต่ทางจิตเป็นประโยชน์ทางกายด้วยเมื่อหายใจเยาวๆเหนื่อยเต็มที่ออกยาวเขายาวแล้วเราก็ปล่อยพอปล่อยมันก็รีบเช่าสั้นตามภาษาของมันมันอยากสั้นอยู่แล้วเราไม่บังคับมันยาว มันก็รีบตั้นหอบเล ย, เงเงๆๆเลยมันเขาว่าเศร้าแงบแงบไปหมทีนี้เราก็ปล่อยธรรมชาติเฝ้าสติไว้ที่ลูมันเข้ามันออกตรงจมูกไม่ต้องไปว่าอะไรหรอกพุทโธหยุบโนอฟองโนสมาหรือั่งอะไรอันนั้นเป็นเทคนิคเทคนิคที่ครูบาอาจารย์ท่านแต่งขึ้นแตนี้เราจะไม่เก่งเกินพระพุทธเจ้าเราก็เลยว่าตามหลังพระพุทธเจ้าเราก็ทําตามนั้น่ะ ทีนี้แล้วก็เฝ้าจอไว้ที่ประตูเข้าออกทีนี้ลักษณะเช่นนี้มันเหมาะสมสำหรับบางคนเท่านั้นแต่บางคนจิตมันยังวิตกคือมันคิดเก่งแล้วก็ปล่อยให้ลมมันพอมันเข้าออกทีหรือว่าสั้นตอนนี้หลังจากเราบังคับให้มันยาวเนี่ยมันสั้นมันตัวร้อนพอมันมันจะเริ่มเย็นลงหน่อยลมหายใจมันก็ยาวออกอีกแต่มันก็ไม่ยาวเท่ากับ ที่เราเคยบังคับมันยาวธรรมชาติมันช่วงนี้เราสร้างความรู้สึกสักสามจุดเวลาเข้าคือล้อมให้มันทีขึ้นสร้างความรู้ด้วยว่า knowing frequency knowing being knowing be being รู้ตัวรู้พร้อมอย่างอย่างอย่างทียิบขึ้นมา frequency ขึ้นมาหายจะเข้าปั๊บสร้างความรู้สึกที่รูปรจมูก พอผ่านรูจมูกไปปื้อก็อมาที่หน้า อ, อกแล้วก็มาที่สะดือสุดตรงนั้นท้องป่องสุดแล้วขาออกก็สะดือเริ่มจากสะดือยุบลงมาแล้วก็มาลู่วอาที่หน้า อ, อกแล้วมารู่ที่มันรูออกสุดที่จมูกเวลาเข้าก็เหมือนกันจมูกหน้า อ, อกสะดือเวลาออกสะดือหน้า อ, อกจมูกการทำอย่างนี้ไม่จะว่าเอาเองนะภาษาบาลีเาเรียกว่าอนุพันธนา ตามตามลมตามดูสามจุดกระทบนี่ฮันติง่งตามล่ามันเมื่อเรารู้สามจุดนี้ความคิดที่มันจะแลบออกมามันมีน้อยมากเพราะถ้าคืนไปคิดมันก็เลิมสามจุดนี้การทำอย่างนี้นานเข้านานเข้าวความคิดก็ออกไปยากมันก็เริ่มสงบสงบแล้วมันก็จะรู้สึกว่าลมนี่มันวิ่งเป็นทางเหมือนเป็นท่อ อลอดอลอดในภาษาล า, าวเขาว่าอย่างไรเป็นทอออนลอดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงความรู้สึกก็ล้อมลงมาล้อมลงม า, งมาช่วงนี้คล้ายเราเราเลี้ยงลูกนะโยมผู้หญิงจะเข้าใจดีเขาเอาลูกไนะลูกอ่อนนอนเปเอาใส่ในอูนี่มันหายมันดี่มันจะตกอูตายเวลาเราไปเปเรียกว่ากวยอู เราก็ต้องมองตามมันตลอดมันไปโน่นก็มองตามมานี่ก็มองตามนี่กลัวว่ามันจะลุกขึ้นมามันจะดิ้นตกไปตกอู้อหักตายเพราะมันยังไม่หลับตอนนี้มันยังดื้อจิตนี้ก็เหมือนกับเด็กตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้เราเอาจิตไปอูคือไปในลมหายใจแล้วเราก็มองตามมันสามจุดอย่างว่านี้มันจะโผล่ไปไหนก็ดูมันทันจับยัดเขาไว้อย่างเงี้ยนี่จึงเริ่มสงา สงบลง่องสงบลมล ม, ลมหายใจน้อยๆลองละเอียดลองละเอียดลองทีนี้ก็เหมือนเด็กมันกําลังจะหลับแล้วเราก็ไม่ต้องมองตามให้ปวดคอทีนี้เราไม่ทําอนุพันธนาไม่รู้ตามสามจุดแล้วก็ไม่รู้ที่มันเข้าที่ตรงจมูกเนี่ยเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วออกมาตรงนี้เรารู้ที่มันกระทบตรงที่ชานจมกูกที่รูจมกูกภาษาบาลีว่าพุตสนาพุตสนา ช่นี้มันเก่งหน่อยก็เอามาโฆษณามันเริ่มสงบเอามาที่จุดกระทบจะมบาง <polling. S 2> ข้าวมันออกมันเข้ามันออกมันก็เริ่มเย็นบางคนมีความรู้สึกแรงขึ้นเลยว่า sensitive มีความรู้สึกแรงขึ้นเย็นที่จะโหมขึ้นไปสมองนู่นเลยเย่หนีไปสมองเราที่นี่ลองให้ใจละเอียดลงเย็นขึ้นบางคนไม่เป็นอย่างนั้นแน่นหัวเปะเลยหนักหัวกวดมีแสดงว่าความรู้สึก ส่วนบนมันมากแล้วการเพ่งต้องจนเกินไปก็ทําให้หนักตรงหน้าภากเลยก็ปวดหัวทีนี้เราไม่ได้หลับตาเราไม่ได้ลืมตาเราเอาครึ่งๆมองไกลออกไปจะจะเคลื่อนหนจะส่องหนงึจากหน้าตาหรือถ้ามันยังหนักอยู่ก็มองไกลออกไปกว่านั้นอีกนิดลักษณะเช่นนี้ถ้ามันยังหนักหัวยังปวดหัวหรือถ้ามันยังปวดอยู่เรากําหนดที่ลมหายใจตรงที่มันกระทบที่รูจมูกยังปวดอยู่ เราจะหลับตาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันปว ด, ปวดเราก็ปล่อยจากจดที่จมูกเนี่ยเอามาดูที่สะดือเอาจุดนี้เอาจุดนี้จุดจมูกปล่อยที่มันขึ้นแวบขึ้นแวบลงอยู่ตรงนี้ตรงตความรู้สึกส่วนบนที่มันทำให้ปวดหัวที่มันเป็นเซนสティブพูดว่ายังไงอะว่าภาษาฝรั่งอย่างนี่มันก็ง่ายตงรงภาาฝรั่งทีนี้คนไทยเราไอ้ความรู้สึก มันมันไม่มีความหูมเือแห้งโดยในหัวนี่นะ่ะความรู้สึกทั้งหัวหลายโพดมันบวลงทั้งไตยังไม่ทั่วตัวก็เรียกว่ายังไม่เป็นสภากายะปฏิสังเวทียังไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันไม่รู้ส่วนแค่อ้อกขึ้นมาี่มันหนักตึก๊กนี่ปวดแน่นทีนี้เราก็เอามาไว้ข้างล่างเอาไว้ตรงสะดือที่มันขึ้นมันแบบพองขึ้นแวบลงไม่ต้องไปพูดอะไรเอาเอาส ต, ติไว้ตรงนี้แว่ เอาแวบออกนะเนี่ยในที่สุดข้างบนมันก็ลดลงมาคือเฉลี่ยความรู้จากส่วนบนลงมาสวดล่างเพื่อจะแผ่ความรู้สึกที่เป็นสัมปชัญญะนะครมันทุกข์ในที่สุดเจ็ดมันก็มาอยู่จุดเดียวลมหายใจน้อยๆมีนิดเดียวแต่ความรู้สึกช่วงนี้เมื่อมาจับจุดไว้ตรงกลางที่สะดื้อเนี่ยถ้ามันหนักหัวน้ําปวดหัวเราก็จะรู้สึกตัวเราละเอียดเข้า มันกระดุกกระเดกเห็นลมวิ่งไปตามมือตามเท้ามันดิ้นลุกๆยิบ ๆ, ๆแล้วเห็นมือเนี่มันช้อนกันใหญ่ๆเท่าลกูกกล้วยหรือตัวเราใหญ่ขึ้นนี่ลักษณะนี้คือมันอยู่ในขั้นทีว่าส ภ, ภกายพะปฏิสังเวทีไม่ต้องย่านตายดิบางคนรู้ว่าตัวอ ต, ตัวเองเป็นตัวจะใหญ่แล้วกลัวตายไม่ใช่นั่นแหละคือมันละเอียดคือสติสติที่มันรู้ทุกลมหายใจนานเข้าทีละนิดทีละนิดหลายนิดเข้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนิด มันก็เลยมากกลายมาเป็นสมประชันจะรู้ตัวที่ตัวใจใหญ่บังลมหายใจละเอียดตัวใจใหญ่ไม่อยากนอนตาจีตาตาีขึ้มาวัดเนี่ยไม่อยากนอนละทีเนี้ยไอนน้นิวรณ์นะฮะก็เริ่มส ง, งบลงครับผมทีก็ดูให้มันละเอียดเชี้ยวไปเอาไว้ข้างล่างทีนี้ทามันตัวใจใหญ่ก็เอาขยับมาดูข้างบนตรงที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกให้มันไม่หนักหัวนะถ้ามันหนักก็ดูข้างล่าง ในที่สุดความรู้สึกมันจะแผ่ไปทั้งตัวเริ่มแผไปนี่คือลักษณะนี้ยังไม่ใช่เป็นวิปัสนาแต่เพียงแต่เริ่มเริ่มมันเป็นสมาธิอยู่ที่ถ้าลมมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนเฉยๆว่างๆยึดลงไปเป็นซับคอนเซ็ปต์ลักษณะเช่นนี้บางคนมันเย็นนะเย็นขึ้นสมองมันเย็นไปตามเนื้อตามตัวอะไรอย่างเงี้ยเย็นตามเส้นเลือดใหญ่ๆตามแขนอย่างเงี้ย บางคนก่อนจะเย็นมันก็ต้องร้อนบุบบ้าบาหลังกันจึงค่อยเย็นก่อนที่มันจะรำนำที่ที่บางคนไม่เป็นอย่างนี้มันหลายคนหลายเป็นแหละทีเรียกว่าจิตไม่เหมือนกันต้องพูดวกไหลายคนบางคนไม่อย่างนั้นอหัวไม่ปวดแลหัวไม่แน่นแต่ลมหใจละเอียดละเอียดละเอียดลงก็ริมเห็นเห็นนิมิต ที่เป็นเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนไ ข, ข, ข่กบไข่เียเหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนแมงพิ้งห้อยเหมือนใแมงมุ ม, มไหลวหว ว, วผ่านไปผ่านมาน่ะพอเห็นแล้วอย่าไปตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นหายปั๊ลักษณะเช่นนั้นคือความละเอียดลงของลมหายใจเกิดอุกขะนิมมาถึงช่วงนี้ถ้าเราฉลาดปล่อยปล่อยลมหายใจก็ไปกำหนดเอาดิวิตอนนั่นแหละที่เรียกว่าอุกขะนิ มันไหลก็ให้มันเห็นอย่างนั้นทำยังไงน้อมจิตดึงให้มันอยู่กับที่ให้มันไปข้างหน้าให้มันมาข้างหลังให้มันเล็กให้มันใหญ่เล่นมันอยู่ตรงนั้นเป็นปฏิภาคนิดหน่อยมันก็น้อยลงน้อยลงเห็นเป็นแล้วมันกระจายได้ไปมานยิงหน่อยมันก็รวมพึบลงไปเจ็บมันรวมของมันลงไปสู่ผวังของมันอย่างนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้เราก็จะอัศจรรย์เอ้ยนี้มันอะไรมันจะมีคําตอบของมันเองว่ามันเป็นเองมันเป็นเองมันเป็นเอง ตาตาตาอย่างนั้นเองไม่จะแปลกประหลาดอะไรเลยเมื่อถึงช่วงนี้มันลงไปตรงนั้นมันออกมาเองนะถ้ามันไม่ออกเมื่ออยู่ตรงนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปกวนมันอยากจะออกจากตานาวที่ตมางออะไรมันไม่ออกมันอยู่ตรงนั้นพักผ่อนเองมันจะออกมาเองถ้ามันเป็นอย่างนี้ยทําให้มันเก่งสิทำใหมันเก่งออกมาแล้วเข้าใหม่เข้าแล้วออกออกแล้วเข้าอีกดิ่มลงไปเลยแล้วรวมไปถ้าอย่างนี้ไม่ทันไรก็ มันเป็นนิสเป็นเด็กครับบอกได้คําเดียวมันเป็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเกิดปวกยาทัศนะต่างๆนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไปเห็นแมวออกลูกอยู่ตรงโน้นที่สารานู่นหรือนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะได้ยินเสียงโน่นในหมู่บ้านโน้นงวูควายเขาหายหรือนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเห็นเล่หไหลออกมาที่ละตัวสองตัวในตาแล้วมันก็ไปถูกจริงๆอย่างนี้ถ้าคืนไปยึดมันหรือมันไปบอกมันเข้าไปจริงๆมก็เป็นอันตราย อันตรายทั้งผู้ซื้อเป็นทั้งผู้ขายเป็นอันตรายทั้งประทำวินัยของเราเป็นาการสวังหานอกทางอีกหน่อยจิตใจก็ลหลงไหลเหลิงเจื้องกลายเป็นที่น้ำมาซึ่งลับสั ก, กละกายเป็นที่ตั้งแห่งความเยืดมันเถือมันมันก็ไกลห่างจากสัจธรรมอันนี้บอกไว้ว่าทางมันไปตรงนี้ไอ้พวกจิตสงบมากๆดำดิ่งลงไปเป็นอำนาจเหนือจิตสงบเมื่อไหรก็ได้มันก็เป็นเจโตวะสีมีอำนาจเหนืเนอเจ็มีฤทธิ์มีเดช อยู่ตรงนี้อาจจะไปโน่นะบนนรก ไ, ไปในสวรรค์ไปบนนรกเป็นมโนมิธิลิษทานใจคือจิตช่วงนี้มันเป็นเรเซอร์ acer, เป็นแสงเลเซอร์ที่คมคมปิดแลมปไปในก็ได้อย่างนี้แต่บางคนมันเก่งมากแหละช่วงนี้ทีนี้เราไม่ต้องปรารถนาอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่แน่บางคนมันง่ายที่จะมาทางนี้ มีบุญญาบาลมีอุปนิสัยวัตนะกตาดใหการเรียกว่าอุปนิสยปัจจโยนิสุยปัจโปจยโยปุเลชาติปัจจโยประชาชาติปัจจโยมันเป็นปัจจัยส่งให้กันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยกันแต่ปุเรชาติประชาชาติอะไรมามง่ายง่ายแต่บางคนจ ะ, ะพยายามมันไม่เป็นก็อย่าไปสนใจมันเพราะนั้นมันเป็นไม่เป็นทางดับทุกแต่มันเป็นความเก่งเก่งกับความถูกต้องเหมือนกันถ้าทําถูกต้องมันดับทุกถ้าทําเก่ง มันไม่ดับทุกแต่มันมีหน้ามีตามีชื่อมีซสี้วมีคนเคารพกราบไหว้สั่งวัดสั่งวาให้ใหญ่ให้โต น, นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ปรารถนาความเก่งแต่เราปรารถนาความถูกต้องแต่ถ้ามันจะเก่งขึ้นมาเป็นของแถมโก็ไม่วาอะไรแต่ดีจะได้เป็นเครื่องมือทรมานคนดื้อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธฤทธิเดชท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นที่เป็นไัยอะไรแต่ท่านบอกว่ามันสู้ อนุาสาปฏิปิหารไม่ได้สอนว่าอันนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอันนี้ควรเจริญอันนี้ควรละเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศาสนาไว้ได้จริงๆก็ส่วนมากก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาทางปฏิสัมพิทาแตกฉานว่าก็ว่าเถอะในประเทศไทยนี่ผมยังมองไม่เห็นใครเลยที่จะทําประโยชน์ทางพระศาสนาได้เหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสท่านโอ้ละเอียดทุกเนี่ยทุกมุมคนนี้อันใดยาก เวลาท่านปฏิบัติท่านก็ทําของท่านงมซางงมซามาเหมือนกับผมเลยแหละแต่ท่านนันมีบุญมีวาสนาบารมีท่านแก่กล้าเหลือเกินมองอะไรทะลุปโป่ปปงเป็นปฏิจัมพิธาแตกชัานละเอียดหาได้ยากโรกจะต้องรอคอยไปเองเออไม่รู้กี่ปีกี่ร้อยปีส่วนพวกที่มีฤทธิ์มีเดชหายตัวอะไรต่างๆงูทิตาทิพกาหนดรู้ใจคนอื่นไอ้พวกนี้มีมานาน ตั้งแต่พระพุทธเจา้าไม่เกิดพวกลือสิโยคียดาบทในป่าในเขาทำถูกต้องไม่ได้แต่ทำเก่งได้จึงไม่ได้ตัดสู่พระเทวาทัพเก่งขนาดไหนขนาดที่ห่อเข้าไปจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กน้อยมูพันเอวไปที่ราชาวังห้องบรรทมของเจ้าชายอาชาตตูทำได้จนลงไหล ดังกว่าพระ อ, อรหันต์พระ อ, อรหันต์เยะแ ย, แ ย, แยไม่มีใครดังเท่าพระเทวทัตราชรดวันละห้าร้อยันเขาไปกราบไปไหว้ไปถาไวายอาหารพระ อ, อรหันต์นี่ชิดตายไปเลยนั่นแปลว่ากรรทำเก่งแต่ไม่ถูกต้องในที่สุดมันก็พังอย่างนั้นที่นี่ผู้ที่ทำถูกต้องแม้จะไม่ได้บวชจะิญถูกต้องประมาที่ภาวนามึงไปทำลาย อาสวะไปทำลายความยึดมัน่นตือมั่นนางวิสาขาพวกอนาถบินจิกะเศรษฐีพระเจ้าพิมพิซานสุดโตธนาโปนีนอนกอดลูกกอดพวกรอดเมียอยู่แต่ทำลายโอลอมพากียะสั่งโยนผ่านไปเป็นโซดาบันก็มีสกิทาคาอนาคาบีกันได้ทั้งดังที่อยู่ในบ้านในเลยแต่ไม่มีฤิธิ์มีเด็กเหมือนพระเทวทัตอันนี้เราทั้งหลายต้องฟังวรตวังโตจิตที่มันทำได้สารพัดแหละ ในเมื่อมันเต็มอมันมีกำลังเหมือนไฟฟ้าเอาไปชอ็อตปลาอยู่ในน้ําก็ตายอย่างเงี้ยเอามาเสียบใส่โทรทัศน์เปิดปั๊บเห็นก็ชกกันอยู่ต่างประเทศเห็นข่าวทายทอดดาวเทียมต่างประเทศยิงกันที่อ่าวเปอร์เซียสงครามอ่าวเซอร์เตออ่าวไซด้าอะไรเกิดมาอะไรเห็นทั้งนั้นทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ตัวเองไม่เคยไปแต่มันเห็นในจอโทรทัศน์ไอ้โทรทัศน์นั้นได้กําลังมาจากไฟฟ้าแต่ถ้าเอาไฟฟ้ า, าไปโทรทัศน์ก็เป็นวัตถุสิ่งเห็นอะไรไม่ได้ เอ้ดงฟฟ้านั่นคือพลังไาลังจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันมีบ้างๆมันก็ใช้งานได้หลายสิ่งหลายอยา่างอันนี้พูดๆให้ฟังเป็นการเคลียร์กันเฉยๆรอกนะเราทั้งหลายอย่าป่าธนาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเองโดยบุญโดยบารมีก็อนุโมทนาสาธุไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นนิสัยอะไรหรอกท่าไม่ได้แอนตี้แต่ว่า มันมันยังไม่ปลอดภัยเในเมื่อจิตยังไม่ทําลายความยึดมันถึงมันลงไปได้อันนี้ลองให้ฟังสี่ขั้นตอนนะตั้งแต่ลมยาวไปถึงกายลํางับจนจิตดับพลึกลงไปลํางับกายไม่เจ็บไม่ปวดนะมันออกมาแล้วมันมีความสุขด้วยมันมีฤทธิ์มีเดชด้วยสมาธิภาวนามันมีผลอยู่สี่อันไม่ว่าจะทําแบบไหน โตแล้วมีสอันพู ด, ดจะจ่าทันตัดไว้ในเจตุกาิบาต์อังคุตันใกายเล่มที่ยี่สิบเอ็ข้อที่สีิบเอดหน้าที่ห้าสิบเจ็บอกว่าสมาธิภาวนามีสี่อย่างคือผลของมันหนึ่งเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันทันตายเห็นเรียกว่าทิฐิธรรมมิกกสุขแต่ละความสุขจากทำอันตนเห็นแล้วสองเกิดยานรัศนะมีฤทธิ์มีเดชขุงทิพตาทิพห์เพื่อนเดินอากาศดำดินบินบนกําหนดรู้แ จ, จของขันได้ สามมีสติสัมปชัญญะโดยสบมบปีธรทำอาสวะให้สิ้นไปสองข้อแรกคือความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นแฟนจะสุขยิ่งกว่าการมาลมที่เคยเปรบมากับความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชหูทิปตาทิพสองข้อแรกนี่เป็นได้บุถุชนธรรมดาก็เป็นได้ไม่เลือกถ้าทำถูกถ้าทำเก่งสองข้อแรกนี้เป็นผลของสมาธิหรือเรียกว่าสามถะสมถะส่งให้เกิด หนึ่งความสุขอิมเออปิจิปาโมตในธรรมจะไม่อยากกินข้าวกินปลาสิบวันก็ได้อยู่ความสุขขนาดนั้นแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชหุ่นทิพตาทิพย์ดนแผ่นดินกําหนดรู้ใจของคนอื่นแสดงฤทธิ์ต่างๆดําดินเลยต่างๆหเหาะเฮิร์เดินอากาศหายตนหายตัวเกิดมาจากสมาธิระดับนี้ของสมถะส่วนสองอันหลังความเป็นผู้มีสติสมปชัญยะโดยสมบูรณ์และความเป็น เป็นไปเพื่อทำลายอาสวะกิเลสความทุกข์ที่ดองในสันดานอันนี้เป็นผลของสติเรียกได้ว่าเป็นผลของวิปัสนาวิปัสนาให้ได้สองอย่างคือมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์แล้วก็ทำลายอาสวะให้สิ้นไปได้ส่วนสมาะนั้นก็มีผลตรงอย่างคือมีความสุขในปัจจุบันทันตาเห็น แล้วก็มีลิ์มีมเดชดังหลวงพ่อหลง ต, ตาบางองค์ท่านมีความสุขมากอยู่ในป่าในดงจนไม่อยากออกมาสู่สังคมไม่สนใจจะไปเทศไปซ้อนใจบาศเมืองจะเป็นยังไงป่าคณะจะล่มจมไม่สนใจฉันอยู่ในป่าในเขานึ่ดีที่สุดมีความสุขความสาบายไม่ต้องรบกวนกับสังคมแล้วคนก็มากราบมาไหว้เศรีทั้งหลายมาถาวายข้าวของเงินทองขอ ง, ของกินดีๆไห้ไม่ลำบากอย่างนี้แหละเรียกว่ามีสุขในปัจจุบันท่านตาเห็นด้วย ทั้งสุขกายทั้งสุขใจด้วยเพราะฉะนั้นมีฤทธิ์มีเดชเมื่อจิตมันสงบมันก็สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นอะไรต่ออะไรที่คนธรรมดาไม่เห็นน่ะสงบระดับที่เรียกว่าเป็นฌานนี่มันมันเห็นได้เมื่อกับน้ำที่มันขุ่นเมื่อมันใสลงมันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในน้าเอาอะไรแย่เข้ามาก็เห็นความคิดของคนอื่นมามันก็รู้ได้อยู่ในจิตที่มันใสสะอาดบริสุทธิ์ อย่างนี้่เขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจเอาไว้ก่อนต่อมาขั้นที่สองต่อมาหมวดที่สองว่าด้วยเวทนามีสีขั้นเริ่มตั้งแต่รู้แจ้งติตริรู้แจ้งความตกรู้แจ้งความคิดแล้วก็ทําความคิดให้มันลำงับปิติเกิดขึ้นมาทําให้เราลงไหลเราก็รู้มันทันมันเลยอย่างนั้นมันก็เป็นความตกอันเกิดมาจากความนั่น แล้วก็ล้มไหลหนักเข้าไปอีกแล้วกิจแจ้งก็ปรุงแต่งไปในสภาพที่เป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งอย่างเย่งในสิ่งที่ดีที่งามจะตั้งสำนักจะเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่โตมีชื่อมีเสียงคนเคารพตราบไหวมีคนมาถวายหมากไม้ตายกองนี่มันปรุงแต่งรู้มันทันรู้มันทันรู้มันทันจนมันคิดอะไรขึ้นมาก็และงับมันลงไปโดยอัตโนมัติล็อกคอมันตายเป๊ะรู้ทันดับไปรู้ทันดับไปจนไม่มีอดีตไม่มีอนาคต ไม่ปาถนาะสิ่งใดมีแต่นั่งดูนอนดูเดินดูซึ่งความคิดของตนเองความรู้สึกของตนเองอย่างนี้จิตก็ระลึบเป็นจิตที่ไม่มีพิษอาหารไม่เป็นพิษก็ บ, บอกฟังไม่ค่อยเข้าใจอย่างเนี้ยแล้วเราก็มาถึงท่านที่าหมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสนาจิตตานุปัสนารู้แจ้งจิตหมวดนี้ก็มีสี่ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่ จิตตังก็ได้สังเวทีรู้แจ้งจิตแล้วก็มาถึงอภิโมทัยอย่างจิตตังทำจิตให้ปราโมทให้บันเทิงสมาธิหังจิตตังอย่างจิตนี้ให้ตังมั่นแล้วก็มาถึงคันทิวาวิโมจะยังจิตตังอย่างจิตนี้ให้ปลดปล่อยเพื้อเข้าออกเมื่อไรได้ลึมสมาธิอันนี้เรื่องจิตตรงนี้ละเอียดมาก ถ้าใครทำให้ของตรงนี้ก็กลายเป็นผู้มีอภินญญายอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างอีกด้วยแต่ถ้าใครไม่ทำตัวนี้เห็นว่ามันช้ามาทำจิตสังขารลำงับลงได้รู้เท่าทางพี่เ้วก็โดดขึ้นไปโน่นเลยขันที่จะตามไปดูความไม่เที่ยงดูความเบื่อหน่ายจางคายความดับลง แห่งความยึดมั่นตือมั่นดับลงแห่งสัญหาประธานดับลงแห่งสังขารทั้งหลายแล้วก็เห็นการปฏิเสธตลอดคืนต่อความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราออกไปมันก็ถึงที่สุดแห่งทุก น, นี่อย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่าอนุปุพังปริจิตายธาภุเทนะเทติตาอนาปานสติยัตตะปริปุณนะสุภาพิตาเป็นการเจริญอา น, นาปานสติที่บริบูรณ ตามลำดับที่พุทธเจ้าสอนโสอิมังโลกังปภ า, าเสติอัภามุตโตวจัจจะทีมาที่ส่วนนั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระเจังโคจรออกจากกมมเมนนั้นในวันนี้ผมมาพูดมากนะสมควรนะเอาไว้สองขั้นตอนค่อยพูดกันที่หลังเรื่องจิตกับเรื่องทำาห้มันละเอียดเป็นตอนเป็นตอนพู้แค่นี้ท่านหลายก็คงจะฟังกันไม่ไม่ทันนะล เพราะว่าถ้าใครเริ่มทําใหม่แล้วก็จะมืดตื้อไปเลยแต่ถ้าใครทํามานานก็พอจะมองเห็นโครงสร้างสตักเจอเอาหลายของติกเรานี้สแต่เราวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเราก็จะได้แยกกันกลับไปทําความเพียรในกดของใครขอ ง, ง, งมันอย่าลืมว่าพงศ์นี้เช้าประมาณัตีสามเพราะว่าตีสามครึ่งมันยังน้อยไปหวังว่าเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายคงจะใจสู่ในตีสามนี่ะระฆังสัญญาณมารวมกันเรามานั่งสมาธิสัก ่าสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็จะไหวพระสักครึ่งชั่วโมงนั่งจากครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีการกล่าวธรรมิกถาตอบปัญหากันไปจนถึงตีห้าจากตีห้านั่งสมาธิต่อที่ลาน ก, ก็ลเวอกลานสมาธิเนี้และถ้าขางว่าใครแค็งปวคขาจะเป็นอริยาบทจะเดินก็ลุกกระเดินไปจนถึงสว่างตีห้าไปสว่างชั่วโมงหนึ่ง แล้วเราก็แห่เมตตาพร้อมกันแยกกันไปสู่เกาะของใครของมันเตรียมบาทเตรียมภาชนะออกเบญทบาทกันนี่คือหน้าที่ของเราการพัฒนาทางจิตการอบรมทางจิตนั่นมันไม่ใช่ของอยากหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ของง่ายมันเป็นของพอดีพองามไม่ใช่ของหยาบเป็นของละเอียดจําเป็นจะต้องทําด้วยจิตใจอันละเอียดอ่ อ, อนมีขั้นมีตอนแล้วก็ต้องมีสติปัญญารู้เข้าทันถ้าหากทําโดยไม่มีสติปัญญาไม่ฉลาดมันจะช้ามาก ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลนได้ผลเมือกันได้ ช, ช้าหรือบางทีอาจจะไปติดอยู่กับความสงบติดอยู่กับฤทธิ์กับเดชติดอยู่กับพวกอะไราบสกละอะไรต่างๆเอาไปกันไม่ไหวแต่ที่เราต้องการจะไดเล็กไดเลกอะไรก็ต้องไปเลยเป็นอุชุปฏิปัโนปฏิบตั ต, ติต้องไปสู่ความดับทุกข์เพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเรานี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอรหัน เพื่อเป็นพระอนาคามีเพื่อเป็นสกกตาคามือนี้เพื่อเป็นพระโสดาบันแต่เราปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์อันโตหุคสะอันตะกิริยายะกระทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ดังที่เราได้สวดมนต์พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกใครว่าท่านตังไรจงมาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้เพื่อความเป็นพระ อ, อรหรอัน์เถิดท่านไม่ว่าเอหิภิกขุปัตสัมปทาท่านาทันงไรเธอจงเป็นพิกสุมาเถิดมะม า, เ, ม า, ม า, มาเป็นพิสุทธซั พอมาน จ, จะเรียงจะรังจะอันโตทุกข์สันต์คิริยาอย่าจงมาประพฤติพรม จ, จันเพื่อการทําที่สุดแห่งทุกข์เพราะยังการปฏิบัติของเราไม่ใช่เพื่อเป็นโซดาบันสกษษษษาาิทาคาอนาคาอรหันอะไรหรอกอันนั้นเป็นชื่อที่เขาเรียกอย่างนั้นสมมติมกันอย่างนั้นแหละเราขาให้รู้อย่างเดียวว่าเพื่อไม่เป็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อมาให้เกิดความทุกข์อยากเป็นพออรหันมันก็ทุกข์แบบพออรหันนี่มันยืดยืดย้อเป็นบ้าเป็น บ, นนบอ ก, กันเพราะความอยากเอาแค่นี้นะโอเคนะอ่ะประกันกลับ มีอะไรอีกอ่ะอ๋อปวดหัวปวดหัวนี่ปวดหัวแบบไห น, นถ้าปวดเพราะเป็นหวัดก็ไปกินยา <c oughs> ปวดเพราะการเพ่งจนเกินไปอย่างนี้เรามีทางแก้ไขอย่าไปเพ่งส่วนบนปวดเน่นๆแน่นแน่นนันน่นคือคือในสมองของเราเส้นประสาททั้งหมดมารวมอยู่ตรงนี้บราเดอร์คอนโทรลใหญ่มันอยู่ตรงนี้ เมื่อเรามาเพ่งดูอยู่ที่ลมหายใจที่จมูกเกิดความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นคือความรู้เป็นทีละนิดทีละนิดรู้ในลมหายใจเรียกว่าสติเมื่อสติมีมากขึ้นมันรวมกันเข้ามันก็อตายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกรุนแรงขึ้นแต่ให้มันไม่เป็นส ภ, ภากายะปฏิสังเวทีมันไม่รู้ตัวทวพร้อมมารู้ส่วนบนที่ใกล้ๆตรงความรู้สึกที่เราเอาไปตั้งพุทธนาไว้ในจมูกก็เลยแน่นที่หัว นั่นก็ขยับลงมาข้างล่างสี่ขดนะ่นขยับลงมาข้างล่างมาดูที่ที่เสดย์ที่มันแวบขึ้นแหวบลงนี่เพื่อเฉลี่ยวความรู้ทั้งทั้งบนให้มันมาปลูก ข, ข้างล่างให้มันรู้ตัวข้างล่างด้วยมันก็จะไม่ได้หนักไม่ได้ปวดถ้าหากลืมตาอยู่ก็เพ่งออกไปไหน่อยนั้นไกลออกไปไหน่อยขยับออกไปแอ j u s t ปรับปรุงมันมันจะเข้าที่แล้วก็การเคลื่อนไหวอย่าให้มันชา้าจนเกินไปนะไปอยาให้เร็วนะถ้าช้ามากจะบีบคันกระสับ พอสมควรให้เป็นโทรโมชันมากนะเนี่ยคอยเข้าใจนะแล้มีอะไรฮอ๋อต้องดูไปอย่างนี้อะดูไปเรื่อยๆดูให้มันติดต่อลมหายใจนอนตื่นขึ้นเมื่อไหร่ดูมันเมื่อนั้นตื่นติดครัง้งก็ดูมันติดครัง้งถ้ามันลืมก็ตั้งใหม่ไว้ที่ลมหายใจเดี๋ยวนี้เราจะเอาลมหายใจเป็นตัวผูกที่พพุทธเจ้าท่านบอก ขอให้ยังไปหวังอะไรมากขอให้มันติดลมหายใจไว้ก่อนให้มันติดเหมือนเขาติดหมากติดยาติดบุหรี่จนไม่ลืมจักเถื่อนคนน่ะแล้วถ้าเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจได้เมื่อนั้นเราจะเห็นความคิดในลมหายใจเมื่อนั้นเราจะเห็นความรู้สึกเราในลมหายใจเมื่อนั้นเราจะเห็นความคิดก็ดีความรู้สึกกรดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเห็นอันนี้จังทุกขังอนาตาอยู่ในนั้นแตล่ลบแล้วว่าถ้าเรามีสติติดต่ดตอกันจนเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกลมหายใจมันก็ จะเป็นความบริบูรณ์ของสติประฐานคือทั้งตายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเอาพุทธิจารยท่านตัดเลยในพระไตรปิฎกเล่มที่ยนะี่สิบห้านะอสุภสูตรอิวุต ก, กะคุตตะวิกายเล่มที่ยี่สิบห้าขอที่สองร้อหกสิบสี่หน้าสองร้อยเจสิบี่เจ้าความตั้งแต่เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายนในในธรรมเป็นที่มานอนแหง่งวิตรกทั้งหลายในภายนอก อันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นนั้นย่อมไม่มีภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าเป็นของไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจเข้าออกมีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระงับลงแห่งสังขานทั้งหลายเรากล่าวว่าพิกสุทเช่นนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ทุกเมื่อดมน้อมไปในนิพพานเป็นที่ระงับลงแห่งสังขานทั้งปวงภิกษุนั้นแลเป็นผู้อยู่จบอับพินยา สงบระงับล่วงส่วนแห่งโยคะเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีไม่พอจะฟังถกไหมท่านบอกว่าถ้ามีสติอยู่เฉพาะในลมหายใจเข้าออกติดต่อกันท่านกายวะนั่นแหละเป็นผู้มีความเพียรทุกเมื่อตั้งแตเช้าตื่นขึ้นมาดูลมหายใจตลอดเดินไปเดินมานั่งสมาธิตลอดทั้งการเดินเข้าไปบินทบาทตลอดเวลาให้มันติดมันฟิกคือต้องการให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อมันติดแล้วคุณไม่ต้องดูหรอกมันดูของมันเองแหละมันดูของมันเอง เมื่อเขาติดบุหรี่เหมื่อเขาติดหมากนะเขาไมไ่ต้องตั้งใจไปสูบตั้งใจไปเคี้ยวตื่นมามันก็หาเองขวเกี้ยร์ขวะเขียงหาผู้ถ่าเอาแต่ดักตื่นขึ้นมาตําจุกจุกจุกผู้ใดไปบอกขาเจ้าเข้ขาเจ้าไู้ได้ตั้งใจดอกแต่ว่ามันติดนี่ก็เหมือนการให้สติติดอยู่ทุกลมหายใจเมื่อมันมีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมันรู้ ที่นี่เราก็ยกจิตที่มันมีเป็นอันหนึง่งอันเดียวมาพิจารณาเรียกว่ายกจิตไตวิปตนานาพิจณาถึงความม่ตัวใน ง, งามในร่างกายอะไรต่างๆคุณไปนั่งยองๆ อ, อยู่ในหัวส่วมคุณถ่ายอาหารเก่าออกมาคุณพิจารณาไปสืเห็นผู้หญิง